بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ي َ ه د الله فلا مضلَّلَ وَمَن ي ُ ض ل ِ ل فَلَهَا د ِ ي َ ل َ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على م ح م د 'ala m um na, na, u h nah um il a m و a d wa 'ala a l i ا i w ه a s h a b ا ن i wa m و n t ل b i a h u bi ihsan illa y u b i d d ا و Allahumma b i ي a asbahna wa bika amsinna wa bika namutu w ขวั عبد ك กและนาอั ه อ ك ฮ์ ع ิกและวะอาดสดีพี่น้องที่ร่วมนมส นุณามาดฟ ajar ทุกทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นเราต้องชุกรต่อ Allah ขอบคุณ Allah ซุบฮานาบูวะตาละที่ Allah ให้เราใช้ชีวิตในเดือนระมาอนปีนี้นะครับเราบวชครบ30วันเดี๋ยวเราก็ได้รวมตัวกันที่ลานกว้างหน้ามัสยิดปีนี้มีคนมานุณามาดเยอะ ผมสงสัยว่านมาตตรงกันทำามเยอะมันกระจายกระจายไปที่อื่นปรากฏว่ารวมมารวมกันที่นี่เยอะคนคนที่จัดอาหารเลาวอ่ะหูงขมกก้าถังไม่พอทราบว่าพี่น้องมุสลิมานี่ไม่ได้ทานกันเยอะธรรมดี ล, ละแสดงว่าคนเนี่ยตั้งใจมามานมาต นมาศอีตอนเช้าเชนี่นะกับนมาศสายสายเนี่ยไหนะจะถูกต้องตามสุนนะมากกว่ากันการนมาศอีตอนเช้าเช้านี่ถูกต้องตามสุนนะถูกต้องตามสุนนะไม่ขัดกับสุนนะถ้าไปนมาศสายสายเนี่ยไปขัดแต่เขาอนุญาตให้นมาศตั้งแต่ตะวันขึ้นประมาณสักยี่สิบนาทีเนี่ยจนกระทั่ง ก่อนนมาซูฮ์ฮ์เนี่ยอนุญาตให้นามาดอีดได้แต่ที่ท่านนบีปฏิบัติก็คือว่านามาดอีดในตอนเช้าๆประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมง ก, กว่ากนิดเดียวนบีนมาดแหละนมาดอีดเนี่ยอีดุลฟิตรีเนี่ยช้ากว่านามาดอีดุลอับฮาเพราะนมาดอีดุลฟิตรีเนี่ย ต, ตอนเช้าจะต้องจ่าย zakatul fitr ก่นนอน ที่จะออกมานามาตรวมตัวกันที่มาที่ท่ลานกว้างทีนี้หลังจบรมฎอนผ่านไปแล้วเพื่อความทรงจำนบีก็สอนว่าใครที่บวชต่ออีกหกวันในเดือนชาววาคือเดือนนี้แหละจะเป็นวันไหนก็ได้จะบวชต่อกันทีละวันละวันละวันหรือบวชวันหยุดไปสองสามวันแล้วบวชอีก ก็ขอให้ใช้ให้ปฏิบัติในเดือนชาวาเนี่ยเท่ากับเขาบวชเท่าไหร่นะหนึ่งปีนี่เราเล่ากันเตือนความทรงจำของเราส่วนนี่คนที่บวชรามบอนปีที่ผ่านมาได้เขาขาดสีวันหวันหกวันอย่างมุสลิมนเนี่ยส่วนใหญ่ขาดกันหมดอนะ่ะเพราะว่าต้องมีอะไรนะเพศอ่ามีเพศ ท่านยิงอาชชารายงานว่าอัลลอฮ์เนี่ยใจดีอัลลอฮ์ทันใจดีมากอนุญาตอีกสิบเอดเดือนเนี่ยไปใช้เดือนไหนก็ได้ท่านยิงอาชชาจะไปใช้ในเดือนนู่นาานะซ า, า, าบานปีหน้าซาบานปีหน้าเพราะอัลลอฮ์ใจดีแต่หลายคนแนะนําบอกว่ารีบใช้เถอะดีเพราะตัวเองไม่รู้ว่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อใดนะครับ ขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และกาลานะครับที่เราได้นั่งทบทวนกุรอานมาปีนี้เป็นปีที่เท่าไรเนี่ยคุณเลิมปีที่สิบหกอะห้ามคนที่นั่งฟังตัฟซีนกะลับมปหาอัลลอฮ์หลายคนแล้วเรก็ตรอรักษาอามันของเราเนี่ยตลอดไปนะจนกว่าคนสอนจะตายนะคนฟังกตายไปเยอะแล้วหลายคนแล้วนะครับ เราอยู่ในช่วงของการทบทวนสุระอะนาฮฺลูสุรอะนาฮฺลูแปลว่าพึ่งขอทวนนิดหนึ่งไซนารีเนี่ยพูดบอกว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยฮักติต่ำต้อยไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่โลกดุนยาใบนี้ฮกัฮกติฮักติหมายถึงต่ำต้อยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ราคา ไม่ค่อยมีถ้าเทียบกับวันเตียมะวันอาคิระน บ, บีสอนบอกว่าถ้าหางโลกดุญญาายนยาเบนี้มีราคามากกว่าปีกยุงอัลลอฮฺจะไม่อนุญาตให้คนคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเนี่ยคนกาเฟรเนี่ยได้ดื่มน้ําสักอึกหนึ่งก็ไม่อนุญาตไงก็แสดงให้เห็นวันโลกดุญญาายนยาใบนี้ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่หรอกไซนาลีอธิบายดีท่านบอกว่า ดูสิผ้าไหมเนี่ยเป็นอภรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดแพงมากเลยทำมาจากอะไรทามาจากน้ําลายน้ําลายอะไรน้าลายหนอนดูดอะประ่าทวนหนอนมายถึงตัวไหมทามาจากน้ําลายตัวไหมแล้วเอามาทําเป็นเส้นแล้วก็ทอเป็นผ้าไหม เป็นสิ่งที่มีราคาแพงที่สุดแต่ทำมาจากน้ำลายมีค่าไว้ในสายตาของของมนุษย์ไม่มีสัตว์ไม่มีค่าเลยแต่โลกยอมรับใครอัลลอฮ์กหนดแล้อีกเรื่องห น, งนึ่งน้ำผึ้งอัลลาซัลน้ำผึ้งเนี่ยเป็นของเป็นอาหารที่มีค่ามากที่สุดเพราะในคัมภีร์กุรอานอธิบายว่าชิฟ้าอุลลินนัส น้ำผึ้งเนี่ยเป็นยารักษาโรคหลายโรคแต่ไม่ใช่ทุกโรคตักซิณอธิบายบอกว่าถ้าหากว่ารักษาทุกโรคเนี่ยจะใช้คําว่าอัชชีฟะมีอลิฟลามนี่อลิฟลามไม่มีชิฟะอุลลินนสัสชิฟะอุลไม่มีอลิฟลามจะมีอลลิฟลามอัชชีฟะเนี่ยรักษาโรคทุกโรคพออลลิฟลามไม่มี รักษาโรคหลายโรคให้หายได้ชิฟ้าอุลลินาเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดไม่ใช่ทุกโรคนะครับเนาลีบอกว่าน้ำผึ้งทามาจากอะไรทามาจากอะไรนะออกมาจากท้องทองแดงทองผึ้งนะมีอะไรอะอุจราระปัสสาวะเยี่ยวขี้มันแล้วง่ายง่าออกมากลายเป็นอาหารที่ดีที่สุดเพราะนั้นตำต้อยมากเลย ของที่อยู่บนโลกดุ่นยาใบนี้นะแต่ถ้าถามมนุษย์โอ้โหมีประโยชน์เยอะแต่ว่าพอพิจารณาจริงๆแล้วนะ่ะมันไม่มีอะไรนะมาจากอุจระบางปัสสวะบ้างจ า, จากนู่นจากนี้บ้างของสัตว์เนี่ยกลายเป็นอาหารที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มากนะเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาลานะ <c oughs> อัลมาอุลมาตับเซตเนี่ยหลายท่านอธิบายบอกว่าสุรหนี้เนี่ย ที่เรากาลังอ่านอยู่สุรอนนัหลูเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งอธิบายไ ว, ว่าเรียกว่าสุรตุลเนียอามัมสุรตุนเนียอมีนีอามะแปลว่าความโปรดปรานสุรอ้อ น, นี้ได้ชื่อว่าเป็นสุร้ที่บรรยายถึงความโปรดปรานของอัลลอ์ที่ให้กับมนุษย์ที่ผ่านมาอย่าอายะที่ผ่านอายะสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย พูดเรื่องนกใช่หรือไม่ใช่อาลัมยาเราวีลาปอยรีพวกท่านเคยดูนกบางไม้อ่าเข่าไหมนั่นเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮให้ที่มันบินระหว่างอะไรนะบินท่ามกลางท้องฟ้าไม่มีผู้ใดรัง้งมันไว้นอกจากอัลลอฮและก่อนหน้านั้น อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องอะไรนะเด็กที่ออกมาจากคันมารดาเนี่ยลายตาอะลามูนะใช่อันเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยไม่รู้อะไรเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วก็ค่อยๆใส่หาความรู้ใส่ตัวใช่ไหมก่อนหน้านั้นอัลลอฮ์ก็พูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องวันกิยมามะจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไว้เหมือนชั่วพริบ ตาเดียวหรือเร็วกว่านั้นอีกเนี่ยอลัลลได้อธิบายแล้วก็ต่อจากนั้นน่ะพูดถึงเรื่องอะไรนะสามีภรรยาที่อลัลลอฮฺสร้างมาเป็นคู่คู่ผู้หญิงไม่แต่งงานก็เหงาผู้ชายอยู่คนเดียวไม่แต่งงานก็เหงาก็ต้องแต่งงานพอแต่งงานก็มีลูกมีหลานตามกันมาแล้วก่อนหน้านัา้นอัลลอก็พูดอีกเรื่องนเรื่องเรือเรือสินค้าในมหาสมุทรเนี่ย ที่วิ่งเห็นไหมนั่นอะ่ะอัลลอฮฺก็สอนให้เราคิดพิจารณาเป็นเนื้อธรรมที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ทั้งหมดเยอ ะ, ยะฉะนั้นสุร่าที่ผ่านมาเนี่ยสุร่าที่กําลังเรียนอยู่นี้นะอัลฮัมดุลิลัยอัลลอฮ์ลลพูดถึงเรื่องเนื้อธรรมที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบ่าวของพระองค์อย่างมากมายนะครับ <c oughs> เอาต่อมาสําหรับวันนี้มาดูอายะห์ที่แปดสิบ อายาที่เจ็ดสิบเก้านี่มีอยู่ฮเดสหนึ่งไม่ได้อธิบายครั้งที่แล้วสับเซอิบนุกาเซ่เนี่ยอธิบายอย่างนี้ท่านอบีฮุรยรอเรียลรอวานูพูดว่าใครที่เป็นศัตรูใครที่ทะเลาะกับคนที่อัลลอฮ์รัก วาลีเนี่ยแปลว่าคนดีคนที่อัลลอฮ์คุ้มครองคนดีของอัลลอฮ์คนที่ดูแลคนที่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคนดีทั้งหมดน่ะนบีสอนก็นว่าใครที่ทะเลาะ ก, กับคนดีๆของอัลลอฮ์เนี่ยคนนั้นเท่ากับประกาศสงครามกับฉันนะก็ต้องอย่าไปทะเลาะ ก, กับคนอันนี้สอนดีนะอย่าไปทะเลาะ ก, กับคนที่คนที่อัลลอฮ์รัก เช่อย่างนาบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์รกักไหมรักอย่าทะเลาะกับ น, นบีมุฮัมมัดบรรดาวสวาหายนบีอัลลอฮ์รกักไหมรักเพราะช่วยงานศาสนากับนบีมุฮัมมัดทุกคนอย่าไปทะเลววาะกับสหายนบีพี่น้องนึกสิคนที่ดาววา่าสหายนบีมีบล่ามีหรือไม่มีมีมต้องไปเอ่ยเชื่อบกุมไหนอ่ะแต่ในใจเรานึกออกแค่นั้นอย่าไปทะเลววาะกับสหายนบี พอเขาตายไปแล้วเขาขึ้นมาแก้ตัวก็ไม่ได้ใช่ว่าอย่าไปทะเลาะ ก, กับคนที่รักอัลลอฮ์หรือคนรักของอัลลอฮ์เช่นน บ, บีมุฮัมมัดและบรรดาน บ, บีทั้งหมดที่มาในโลกรวมไปถึงสาหายน บ, บีทุกคนที่ทํางานาศาสนาะร่วมกับท่านน บ, บีมุฮัมมัดสุลตอัลลอฮ์อิบราฮิมแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนที่เข้ามาดูแลงานาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติกับเขาอย่าไปทะเลาะ ก, กับเขานะครับ แล้วก็นบ the ีสอนต่อไปอีกใครที่เข้าหาอัลลอฮ์คนที่เข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยเช่นเข้าหาอัลลอฮ์ครึบหนึ่งอัลลอฮ์จะเข้าหาคนคนนั้นน่ะศอกหนึ่งใครที่เข้าหาอัลลอฮ์ครึบหนึ่งอัลลอฮ์จะเข้าหาคนคนนั้นอ่ะมากกว่ามากกว่าเรานะเราเข้าหาอัลลอฮ์ครึบหนึ่งอัลลอฮ์จะเข้าหาแล้วสอกหนึ่ง ถ้าเราเข้าหาอาลัลลอส์องหนึ่งอลัลลอ์จะเข้าหาเราวานึ่งถ้าเราเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัอลลอ์ก็จะวิ่งเข้าหาเราคืออลัลลอฮ์ตอบแทนรางวัลมากกว่าถ้าเราจำฮะ ด, ดิษเหล่านี้ไว้อยู่ในใจเราเนี่ยนะเราจะเป็นคนที่หัวใจที่อยากจะทำความดีตลอดเวลานะครับอา้าพอแค่นี้นะครับ <c oughs> อายาที่แปดสิบ Allahu Jalalakum Imbu yutikum sakana Bu yut เนี่ยแปลว่าบ้านเป็นพระหูพจน์ของคำว่าใบตุนใบตานี้บุยูตุนแปลว่าบ้านอัลลอฮ์ได้ทรงรรมทรงธรรม ให้มีที่ซากานันแปลว่าที่พักอลัลลอฮ์ทรงทาให้พวกท่านนะมีที่พักพักที่ไหนครับมินบูยูติกุ้มในบ้านของสูเจา้าถามว่าบ้านเป็นเนี่ยมัดไหมอลัลลอ์เป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินถามว่านกมีบ้านไหมนกก็มี อยู่บนต้นไม้นู่นน่ะให่ไห ม, มีบ้านเล็กๆเาบ้านเป็นนี่อามัดอันยิ่งใหญ่เลอเกินแต่มีอยู่คนหนึ่งอ่ะเคยอ่านกุราอ่านออกแล้วก็ทิ้งกุราเลยทิ้งศาสนาทิ้งนมาต์ประมาณจะสักสามสิบปีหาบ้านทำงานหาบ้านก็หาที่ดินห้าสิบตารางวา บ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันทิ้งนมาศมาประมาณสามสิบปีกุรอานไม่เคยจับมาสามสิบปีพอลูกเต้าโตหมดแล้วอยยุวันหนึ่งก็ไปเอาจับกุรอ่านมาจะอ่านอ่านไม่ออกลืมเลยมีไหมมีครับ จะหาเนี่ยมัดของอัลลอฮ์อย่างหนึ่งทิ้งเนี่ยมัดอัลลอฮ์อีกหลายอย่างเนี่ยมีไหมมีครับแล้วก็พบกันกับผมผมคนแนะนำบอกวา่าเอาลูกชายคุณมาเรียนกุณอ่านพราก็ส่งลูกชายมาเรียนนะครับมาเรียนลูกชายมาเรียนกุณอ่านไม่ ก, กี่เดือนอ่านได้ก็กลับไปสอนคุณแม่แต่ทำดุลยันนี้ยังกลับตัวทันนะไทยไปกลับตัวในกูโบทันไหม หมดิ์กับตัวกรที่จะเข้ากูโบอัลฮัมดุลิลละนี่ถ้าอ่านกรุอ่านอาย่านี้เราสบายใจว่าอัลลอัฺอัลลอฮฺทรงทาให้ท่านมีที่พักที่อยู่ในบ้านของสูเจ้าเองท่านอิบนุกะซิดอธิบายอย่างนี้คำว่าบูยุตเนี่ยเป็นสถานที่ใช้ชีวิตในเวลากลางคืนด้วย บ, บ้านยจบี้ตัแปล ว, ว่านอนพักในเวลากลางคืนฉะนั้นถ้าชายชีวิตในเวลากลางคืนได้ด้วยนะนั่นแหละเรียกว่าบ้านถ้าเป็นกลางวันอย่างเดียวยังไม่ใช่บ้านต้องนอนพักเนี่ยตับเซตอธิบายนะแม้จะคําว่าใบตุ้นยังอธิบายเลยเนะี่ยวันนตับเซตอิบนุกนะเซตเนี่ยฉะนั้นคําว่าบ้านก็คือ สถานที่ใช้ชีวิตในเวลากลางคืนแ้วเขาบวัอธิบายอีกว่าบ้านนั่นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พักพิงเป็นที่ปิดบังแล้วก็ได้ประโยชน์ผู้หญิงเนี่ยนะพญาเราลูกสาวเราเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านนั้นปิดบังผู้หญิงไม่ให้คนอื่นเห็นดีที่สุดอยู่ในบ้านเน่ยไม่มีคนมองเห็น แล้วก็อี ก, อกแหล่งหนึ่งดีกว่าบ้านเองรู้ไหมอะไรกูโบกูโบวันนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถให้คนอื่นเห็นได้เลยคือชชยชีวิตอยู่ในกูโบสุสานเพะท่านกูโบกับบ้านเนี่ยบ้านต้องลงทุนแต่กูโบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปซื้อที่เอาเราจัดให้เลยใช่ไหม ฉะนั้นมุสลิมาบางคนเขาไม่ต้องการในใครเห็นหน้าเขาเนี่ยนะเขาอยู่ในบ้านของเขาจะออกเขาปิดแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ในกูโบนั่นเป็นการปิดบังไม่ให้คนอื่นเห็นดีที่สุดเดี๋ยวก็ไปฟื้นขึ้นในวันเกียม์มาอีกครั้งหนึ่งไปพบกับอัลลอสุบฮานาหูวาตาแล้ว Allahu j ja a l a l a k u um ม mimbu yutikum sakna และอัลลอฮ์ทรงทำให้มีที่พักนะครับพักพิงที่ไหนในบ้านของสูเจ้าเข้าบ้านเนี่ยของที่เป็นเนี่ยหมัดสังเกตนะอัลลอฮ์จะให้มีด ع อาแปะอยู่ตลอดเวลาจะเข้าบ้านต้องอ่าน دعاء ไหมอ่านด ع อาอย่างน้อยที่สุดก็อัสาลามอลัยกุ่ม ความจริงด um al ma ูอาข้าวบ้านน่ะมีอัลลอฮุมะอินนีอัสอลกะข а รัลมาลจีวะขรลมรบิสมิลลาฮิวะลจนาวบิสมิลลาฮิรจนา و นี่ดูอาข้าวบ้านนี่คนที่มานมาที่มัสยิดห้าเวลาเนี่ยเดินเข้าบ้านนะอ่านดูอานะห้าเที่ยวน่ะก่อนก่อนจะออกก็มีดูอาอีกใช่ไหม บิสม al oh, ah ja ิลลาฮิตะวักข์ลุงอัลลอฮิวะลาฮูลาอัลกูวาตาอิลลาบิลลาฮิสังเกตอะไรที่เป็นนื้อมัดนี้อมัดนื้อมัดที่อัลลอฮ์ให้ก่อนทำต้องนึกถึงอัลลอท์ทำเสร็จต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุพรรณอัตตาลาตลอดเวลาโอ้ทำเวลาอย่างกับขึ้นยานพานาเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ตอนจะขึ้นต้องอ่านดุงอาชะไหมบิสมิลลาฮิใช่ไหม ก็มีดวอาอ่านดวงอาึ้นรถดวงอานั่งรถขึ้นเครื่องบินที่มีประโยชน์มีดวอาอ่านหมดเข้ามัสยิดมีดวอาอ่านออกมีดวอาอ่านทานอาหารเป็นเนื้อ Ahmad ก่อนจะทานมีดวอาอ่านหลังจากอิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮ์มีดวอาอ่านสังเกตสังเกตอะไรที่เป็นนื้อ a h ที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้อ่านดวอาเนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเอาต่อมาครับ ว a าจัดให้คุณมีจุลูดิลแอน عام บุยุตและอ l ลลอได้ทรงทำให้สูเจ้าทำอะไรถูกไหมจุลูดจิลดุนจิลด่านี่จุลู ด, ดุนแปลว่าหนังหนังสัตว์ <c oughs> เอาหนังสัตว์อ่าน้ำแปลว่าประสุสัตว์จุลูแปลว่า หนังผิวหนังนี่แหละอัลลอฮ์ Allah ทำให้เอาผิวหนังของสัตว์นั้นมาทำอะไรครับเอาหนังมาของสัตว์มาทำเป็นบูยูตันเป็นอะไรนะเป็นบ้านเรียกว่ากระโจมตนี้เป็นที่พักอาศัยเป็นกระโจมอยู่บ้านเราไม่ค่อยเห็นกระโจมต่องไปไหนซาอุดีซาอุดีกระโจมเยอะ ไม่มีแล้วนะวันเราก็มีแถวเียมเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมอจาจจะแถวบ้านดีบรอฮิมมีกระโจมเห็นไหมที่ปลายอ่าที่ปลายมีกระโจมมาทำเด ล, ลีลาเนี่ยกุรานพูดไวเอามาจะทํามาจากหนังสัตว์มันเบาอ่ะหนังสัตว์อ่าย้ายไปไหนมาไหนสะดวด อัลลอฮ์เล่าในกุนกราอานทั้งหมดให้คนอ่านได้นึกถึงนื้อธรมที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเบาวของพระองค์ตาสตาคิฟูนะฮะคอฟี่เดิมมันแปลว่าคอฟี่แปลว่าสูญเจ้ารู้สึกเบาเบาสูญเจ้ารู้สึกว่ามันเบาที่จะพาไปไหนมาไหนมันไม่หนักมันเบาทํามาจากหนังสัตว์นั่นแหะอย่างแพะอย่างเงี้ย อ้าวแกะอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ฮามุดิลลายามาจาะนิคุมเยามาจาะนิคุมยามเดินยามเดินทางอ่าทุกท่เจ้าเดินทางไปไหนมาไหนนี่ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยจริงไหมจริงเดินทาง สมัยก่อนเนี่ยมีกระโจมสมัยนี้กระโจมไม่ ม, มีมีอะไรแทนนะโรงแรมห้ามอยู่เลยละแต่บางคนก็ยังใช้กระโจมอยู่เปลี่ยนบรรยากาศนะแทนที่จะนอนโรงแรมนอนกระโจมที่ปลายเนี่ยมันปีหนึงมีอยู่ครั้งหนึ่งอนะแล้วก็เช่าที่ก็แพงด้วยทราบข่าวเป็นที่กมุสลิมทั้งหมดนั่นแหละปีหนึ่งก็ได้เงินหลายล้านนะครับ เอานี่คุณอ่านเล่าให้เราฟังขอบคุณอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและก็ุะวะวายาวมาอีกอมะติกุมและยามพักแรมของสูเจ้าอีกอมะแต่ว่าพักพักแรมนะนี่อลัลลอฮเล่าให้ฟังนะให้เรานึกอาต่อมาครับ ว่ามินอัสว่าฟีฮาเซาฟุนเซาฟาี่อัสวาแปลว่าขนแกะเอาขนแกะมาทำประโยชน์ได้ไหมได้ลฮัมดยนิลลนดขอบคุณอัลล์ที่มุสลิมในอินเดียเนี่ยได้รับไฟเขียวจากอัลล์มีอยู่มุสลิมเท่านั้นแหละที่อนุญาตให้เชือดแพะเชือดแกะเชือดวัวเชือดควายแล้วคนฮินดูนี่เขาไม่เชือดแพะไม่เชือดแกะเชือดควาย ราะเฉพาะวัวเนี่ยเขามองเป็นพระเจ้าไม่อนุญาตให้เชื่อดแต่มุสลิมได้ไฟเขียวจากอัลลอฮ์แล้วก็จากนั้นเจ้าของโรงงานหนังทั้งหมดในอินเดียเป็นของมุสลิมเพราะฮินดูไม่เชื่อดสัตว์ใครมุสลิมเชื่อดสัตว์จะนั้นโรงงานฟอกหนังดังๆในอินเดียเป็นของมุสลิมฉะนั้น ผลิตหนังมุสลิมฉะนั้นคนที่ขายเสื้อหนังกางเกงหนังกระเป๋าหนังทั้งหมดเจ้าของมุสลิมทั่วอินเดียเป็นมุสลิมหมดเลยฮินดูไม่มีขอบคุณอัลลอฮ์ฉะนั้นธุ ร, รกิจการค้าหนังในอินเดียเจริญก้าวหน้าเสือ้อเนี่ยเสื้ออะไรนะเสื้อขนสัตว์นะี่ยแพ่แพนๆะน่ยมุสลิมบริหารทั่วประเทศเลยทำอยู่เลยนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ฮินดูไม่เชื่อสัตว์ อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวพุทธจะเชื่อสันหรือบาปของมุสลิมอันรออนุญาตให้เชื่อสันได้เฉพาะที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะ <c oughs> ต่อมาครับวัวเอาบารีฮาและปุยของมันปุยปุยเอาบาตแปลว่าปุยว่าอัชอารีฮาและก็ผมของมัน มันมีขนแล้วก็ปุยแล้วก็ผม อ, อัลลอฮฺอัตบาสามรายการนี้ อ, อัลลอฮเอยดใคัภร์อัลกุรอานเอามาทำอะไรครับอาซาสันเป็นเครื่องใช้อาซาสันเป็นเครื่องใช้วามตา อ, อิลาฮีนมาตาแปลว่ามีประโยชน์กี่วันอิลาฮีนแปลว่าจวบ ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นเองของเหล่านี้มีวันหมดอายุไหมหมดอายุขนก็หมดอายุปุยก็หมดอายุผมของสัตว์ก็หมดอายุเตือนมนุษย์ให้รู้วัตถุอยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีวันหมดอายุแม้แต่คนที่ใส่มันก็หมดอายุโลกใบนี้ที่เราคิดว่ามันยาวที่สุดนะมีวันหมดอายุฉะนั้น ถ้าจะทำของที่ไม่หมดอายุก็ต้องทำอามันทิซอลและเช่นนามาตหมดอายุไหมไม่หมดใครที่มีแพะหมดอายุไหมหมดใครที่มีที่ดินหมดอายุไหมหมดใครที่มีบ้านหมดอายุแต่คนที่มีอามันทิซอลและติดตัวไปไม่หมดอายุเตือนให้เราคิดถึงอัลลอฮสุบะฮานาบูวะตาลาแล้วก็ทำแต่ของดีๆใช่ไหม อายะอื่นอธิบายอย่างงี้อาไรที่ทำเพื่อโลกดุนยาหมดอายุแล้วใครที่ทำความดีเพื่ออัลลอ์และฝากอัลล์ไว้นะไม่มีวันหมดอายุ อ, อย่างนมาซูบ์ตะกี้เนี่ยพอนมาจบไปแล้วนี่นะไม่หมดอายุนะหรือบริจาคบริจาคอินทรพราหมสักเม็ดหนึ่งตอนเช้าเนี่ยหมดอายุไหมไม่หมด เข้าฝากบัญชีอลัลลอฮ์ไว้เนี่ยทีนี้เวลาฝากบัญชีอลัลลอฮ์ไว้เนี่ยนบีสอนต่ออีกว่าอย่าคิดว่ามันจะเป็นบอนไซนะบอนไซหมายความว่าอะไรนะยิ่งอยู่มันยิ่งเล็กยิ่งอยู่มันยิ่งเล็กไม่ใช่ยิ่งอยู่แล้วมันยิ่งใหญ่ใหญ่ให ญ, ใหญอินพลามเม็ดเดียวที่บริจาคในนามของอลัลลอฮ์นั้นอย่านึกว่าเป็นบอนไซนะอยู่ไปสี่ปีห้าปีมันเล็ก มันใหญ่ๆๆญ่ ญ, ญน บ, บีว่านูน่นอะดูภูขเขาอูฮูสิใหญ่ขนาดไหนผลบุญมันเพิ่มขึ้นอาน้าวนบีก็อธิบายต่อไปอีกเราเอาข้าวเม็ดหนึ่งโยนลงไปในนาเม็ดเดียวนะมันจะขึ้นเท่าไรเจ็ดอะไรต้นเดียวนะข้าวต้นเดียวมีกี่รวงเจ็ดรวงรวงหนึ่งมีเท่าไรหนึ่งร้อยเม็ด ข้าวเม็ดเดียวออกมาถึงเจ็ดร้อยเมล็ดอลลอฮให้เห็นบนบนดุญยาใบนี้เห็นด้วยตาเลยอลลอฮข้าวเม็ดเดียวโยนลงไปในดินอลลอฮให้อลลอฮขึ้นมาข้าวหนึ่งต้นมีอยู่เจ็ดรวงรวงหนึ่งมีอยู่ร0อยเม็ดเจ็ดรวงเท่าไรเจ็ดร้อยเม็ดนี่ดุญยานะ่ะและอาคริราะแลที่อลลอว่าฉันจะ เพิ่มผลบุญผลบุญอัลอฟังกัศีเราเท่าไรฉะนั้นคนที่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์น่ต้องมองมเมล็ดข้าวเนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยขอบคุณอัลลอฮ์สุภาในหัวศาสาอุลามาอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าท่านลองปลูกต้นมะม่วงไว้นหน้าบ้านท่านเป็นของท่านหมดเลยนะตั้งแต่โคนของมันตั้งแต่กิ่งของมันตั้งแต่ก้านของมั น, ต, ต, น, มนตั้งแต่ใบของมัน มาเล็ดทั้งหมดเป็นของท่านหมดเลยอ่ะนั่นมะม่วงเม็ดเดียวน่ะเห็นอย่างอัลลอฮ์ให้บนดุนยานี่ฉะนั้นทำงานให้ทำเพื่ออัลลอ์อย่าทำเพื่อโลกดุนยาแบบนี้ทำเพื่ออัลลอ์และอัลลอ์จะให้รางวัลมากมายขนาดขนาดทำบนดุนยาอัลลอ์ให้เห็นมากถึงขนาดนี้และทำเพื่ออาคีรอเพื่ออัลลอ์เนี่ยจะมีรางวัลมากขนาดไหนเนี่ยทำอิมานมันเลยนะอิมานมันเพิ่ม นะครับอาอยาย่นี้อลัลลอสอนให้เราคิดนะบ้านเป็นเนี่ยอัมัดหนังสัตว์เป็นเนี่ยอมัดแล้วก็ขนของมันปุยของมันผมของสัตว์เป็นนำเอามาทำเป็นเครื่องชายในชีวิตประจำวันได้ไหมได้อัลลอฮฺอักบ แล้วก็มีประโยชน์กี่วันอีลาหฮชั่วระยะหนึ่งอย่าหลมอย่าหลมอย่าหลมอย่าหลมใครที่มีขอเหล่านี้บริจาคได้ไว้บริจาคไปเธอหวังรางวัลตอบแทนจากอลารัชสุภานุวาตาลเอาต่อมาครับเขาบอกว่ามีบ้านเพื่ออะไรอ่านี่เ ป, น เ, ปนเป็นเป็นคำอธิบายนะสร้างบ้านไว้เพื่ออะไร อธิบายหนึ่งเพื่อทำให้ร่างกายและหัวใจเกิดความสงบสุขคนที่มีบ้านเนี่ยใจสงบไหมสงบเอาเานั่งนึกดูสิฉันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งทล่ะใครนอนอยู่ลูกนอนอยู่ใครอยู่ภรรยายอยู่สงบไหมสงบคนที่ ออกไปเสแวงหาฤสกีของอัลลอฮ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาสแสวงหารฤสกีนอกบ้านหรือในบ้านส่วนใหญ่นอกบ้านหมดเลยพอเหนื่อยเหนื่อยกลับมาเข้าบ้านหายไหมหายอ่ะทำดูเลยเพราะนั่นบ้านเป็นนี่ยอามาที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูอตาละแต่นบีก็สอนนะสร้างบ้านเนี่ยมีที่นอนสําหรับภรรยามีที่นอนสำหรับสามีมีที่นอนสําหรับลูกมีที่นอนสําหรับแขก นอกนั้นเป็นของชายตอนบ้านเป็นที่อยู่ของชายตอนด้วยถ้าเราทําเยอะเกินไปทำเอาไว้คุยบ้านฉันมีอยู่สิบห้องมีลูกอยู่สองคนอีกเจ็ดแปดห้องเป็นของชายตอนเอาอะถ้าไม่เรียนศาสนาไม่มีปัญหา ก, กี่ห้องก็ได้ถ้าเรียนศาสนาปั๊บนึกสร้างทําไมต้องเยอะแยะ แขกก็ไม่เคยตอนรับสักทีหนึงแลแ้วแขกสมัยใหม่นี่ก็ไม่นยัง อ, อยู่บ้านใครด้วยอยู่อ ย, อยู่ฟุ้นดุกฝุ้นดุกอยู่โรงแรมอะอ้ท้ามดุริเลออิสระสมัยก่อนนี่นะต้อ ง, ต, องต้องรับแขกตัมนอนแขกเนี่ยคนแขกที่อ่นานหะดิษทุกคนนะี่แหละเป็นแขกกี่วันสามวันวันแรกเนี่ยตอนรับให้ดีวันที่สองก็ดีรองลงมาวันที่สามก็ดีหน่อย เพราะวันที่สี่ดีธรรมดาเท่าเท่าไรนะเท่าที่เขาใช้ชีวิตประจำวันวกอเกาแต่แขกรุ่นใหม่นี่ก็ฉลาดอยู่วันเดียวพ อ, อย่าอยู่โรงแรมอย่างนี้เป็นต้นอัลหัมโดยลิละที่อยู่อาศัยเป็นเนี่ยมัดอันหมโดยลิละนะครับพี่น้องอยู่ในบ้านห้ามนุ่งกางเกงนายเดินเปลี่ยนนิดนิดน้อย น, น้อยก็ต้องอ่านดูอ่านอย่าเดินแก้ผ้าทงทงท ง, ทงอยู่บนบ้านัลอว่าอักบั สุน้านาบีเนี่ยไม่อนุญาตให้แก้ผ้านะ่นอกจากอยู่กับสามีภรรยานะแก้ผ้าได้นะครับจะปิดดีกว่าไหมปิดดีกว่านะครับก่อนจะแก้ผ้าให้อา่านดุอาด้วยใช่ไหมบิสมิลลาฮิอัลลอฮฺอัลฮะต้องอ่านดวอาด้วยนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะวตาลนะครับเอาต่อมาอายาที่8ปบอ็ و ا ล ل ه เจ้าเล่า لكم มิม ما خ อ ق ا ล ل ا ل นี่ก็พูดเรื่องเนี้อมาอกีกเนี้อมาอะไรนะรว่ร่มเงาต้องการจะอธิบายเรื่องร่มเงาเรื่องเงาเงาร่มเงา ว, วันนั้นในสุร้อนนี้พูดถึงเรื่องเงาเนื้อยูยุตลอลรอใช่ไหม เคยเคยอ่านแล้วเนะนี่ยนะเงาเนี่ยสุญูดต่ออัลลอฮ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเย็นเย็นเนี่ยยังดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันตกคลอยทางทิศตะวันตกนะนั่นเง า, ง า, ากําลังสุญูด ต, ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแล้วเนี่ยทาร์มี่อ่านกุงอ่าน AN, ไม่รู้เลยอัลลอฮ์เงาสุญูด ต, ต่ออัลลอฮ์เงาเราสุญูด ต, ต่อตอัลลอฮ์แต่เจ้าของเงามันก็สุญูดต่ออัลลอฮ์เท่าไหร่หรอเงายังสุญูดแต่เจ้าของเงาเนี่ย ไม่เคยสุญยุตต่ออัลลอฮ์ยิ่งคนกาเฟรไม่เคยสุญยุต Allah, ต่ออัลลอฮ์ตาอัลาดเลยอัลลอฮฺอักบารน่าสงสารทีนี้อัลลอฮ์ได้ทรงทําสําหรับสูเจ้าทั้งหลายจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างซีละลันคือร่มเงาร่มเงาเนี่ยมาจากสามแหลง่งหนึ่งมาจากบ้านพอมีบ้านขึ้นมา เงามีแรงที่สองมาจากต้นไม้เนี่ยชัดาจนต้นไม้ทั้งหมดที่อัลลอ์สร้างมานั่นเงามีพอพูดถึงเรื่องเงาแรงที่สามเมฆเมฆเนี่ยให้เงาได้ไหมได้ท่านหญิงคอดีญะวันที่สรงท่านนาบีก่อนก่อนที่จะเป็นนบีตอนหนุ่มๆก่อน นบีไปรับชายถ้าหญิงกอดียะเป็นพนักงานขายสินค้าซื้อสินค้าจากประเทศชามานางก็ยืนดูว่าเอ๊ะมูไรมูหมัดจะเดินทางกลับมาถึงบ้านขึ้นไปอยู่บ้านชั้นสองอะ่ะที่ชาญชาญฉลานะก็คือบอลบัลการโนเรียกว่าอะไรนอกชาญ น, นอกชาญยืนที่นอกชาญก็เห็นมูหมัดมาแล้วสิ่งที่นางประทับใจก็คือว่า มีเมฆเมฆเนี่ยเดินตามมูฮัมหมัดนางเห็นอเมีเมฆอ่ะปกป้องความร้อนไม่ให้มูฮัมห ม, มัดร้อนมูฮัมห ม, ม, มัดคือใครนางนึกเอเป็นคนสำคัญน่าดูคนนี้เงาไม่ให้แดดร้อนให่ไหม แต่แต่วันนั้นมานางสงสัยไม่ไรอดบุญหมัดคือใครจดกระทั่งถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเพิ่งรู้อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์รักคุมดูแลคุมครองคนคนนี้ตลอดเวลาฉะนั้นเงาไม่อยู่สามแหลง่งหนึ่งมาจากบ้านสองมาจากต้นไม้สามมาจากก้อนเมฆอัลลอห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยจัดการดูแลแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใค ร, รเราสั่งเมฆได้ไหม มีทางแต่ Allah สั่งเมกได้เอ้าไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขอบคุณ Allah นะครับวะแล้วจ๊ะ a l l a ละกุมมิมมค خلقظلال ละ ظلال แปลว่าร่มเงานะครับ Allah ทําให้มีร่มเงา Allah อัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลอัลลฮอัลลออัลอัลลอฮฺอัลลอฮัลลออัยดอิบอลยอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮัลัลลอลลั อ่าใช่นบีไม่เคยตัดต้นไม้ในชีวิตนบีไม่เคยตัดต้นไม้ไม่เคยทําลายต้นไม้ด้วยมือของท่านเองแล้วก็สั่งด้วยนะสงครามเนี่ยอย่าทําลายต้นไม้อย่าตัดต้นไม้อย่าทําลายเด็กอย่าทําลายคนแก่อย่าทําลายผู้หญิงถ้าจะฆ่าเฉพาะทหารอย่างเดียวแล้ววันนี้เล่นหมดบ้านช่องตึกรางบ้านช่องทําลายหมด แค่ซีเรียนี่แหละไปดูนี่อะไรนะอุลลทำลายเนี่ยมัดของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอมลครอมักับว่าจะละลักุมมินัลจิบาลอัคนานาและพระองค์ทรงทำที่พักพิงอัคนานานแปลว่าที่พักพิงอัลลอฮ์ทรงทาให้มีที่พักพิงจากอะไรครับ มินาจิบาลจากภูเขาถ้าไม่อิมานเราเพิ่มเพราะอ่านตรงนี้ถามว่านาบีมุฮัมมัดได้รับวะฮีที่ไหนภูเขาใช่ไหมแล้ววันนี้คนที่เอาภูเขามาทำบ้านมีไหมมีครับยิ่งสมัยก่อนๆที่ผ่านมานี่ใช่ไหม พวกอะไรต่างๆที่มีชื่อมีเสียงดมงดังเนี่ยเขาทำสกัดภูเขามาเป็นบ้านตัวเองเอาทำอยู่เลยลอัลลอฮให้ทั้งหมดเลยใ น, ยนมีมุฮัมมัด ต, ตอนหนีจากนครมากาไปมาดีนะก็ไปแอบอยู่ที่ถ้ำเมืองการที่ถ้ำเมืองการที่ภูเขาเอาทำอยู่เลยลท่านอับูุบาคสองคนอยู่ในถ้ำใช่ไหมแต่ศัตรูมายืนดูหน้าถ้าเนี่ยเห็นภาพแล้วนิดแล้วนีอัลลอฮมฮ ยิ่งใหญ่เหลือเกินน บ, บีก็กลัวเนี่ยมืยสตัตรูอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้ามันก้มหน้ามันเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์ทำอะไรคุ้มครองดูแลอย่างอัลลอฮ์อะไบ้แมลงมุมชักย้ายบ้างอะไรบ้างทั้งหมดเหล่านี้เป็นฮฮกมากทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับวะจัอาลละกุมซารอบินซารอบินแปลว่าเสือ้ออัลลอฮ์ ทำให้สูเจ้าซึ่งอะไรนะซึ่งเสื้อซาอบี น, นี่นเสื้ออีทานมันต้องใส่นี่แหละเสื้อเนี่ยให้มาทำไมตากีกูมุลฮาร์ซึ่งป้องกันสูเจ้าจากความหัดร้อนลอักวัตนี่นี่อมามัด อัลลอฮอักบารนี่ถ้าไม่อ่านกูอ่านไม่รู้เลยว่าเสื้อเป็นเนี่ยอมัดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินัน้านก่อนจะใส่เสื้อต้องมีดุอ้าไหมอ่ามีดุอาอ่านตัวอาอ่านว่าไงอัลลอฮฮุมอินีผมบลืมไปแล้ว <c oughs> มาช่ายก็อ่านอยู่เลยอัลลอฮอัลลอฮอัสอลูกะนึกไม่ออกแล้ว <c oughs> เนี่ยยิ่งมีเสื้อผ้าใหม่ๆหใส่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาอัลลอ์เอาให้ลูกไปโรงเรียนถามว่าใส่เสื้อกับกางเกงกับกระโปรงเนี่ยใส่อะไรก่อนให้นุ่งกางเกงก่อนนุ่งกระโปรงก่อนใส่เสื้อทีหลังอัลลอฮ์นี่สอนไว้หมดอธิบายไว้เลยฮัมดุลินลาก่อนจะใสก่ก็อย่างน้อยกับบิสมิลลา ใส่เสื้อกับบิสมิลลานุ่มก็เก็งบิสมิลลาขอบคุณอัลลอสุทธานาวูตานต่อมาครับว า, าราบีนี่ก็เสื้อเหมือนกันแต่เรียกว่าเสื้อกระวาาราบีอัลลอให้มีเสื้อกะอคนที่ทำเสื้อกะคนแรกใครรู้วป่านาบีสุไลมานดาวุดดาบิดดาวุดอะลัยฮิสาลามทำเสื้อกะอ ใครทําเรือดำน้ําเป็นคนแรกไม่ใช่อเมริกานบีดาวูดเรือดำน้ำําอัลลอฮ์เสื้อกะนบีดาวูดทําไม่ใช่ฝรัง่งถ้าคนไม่อ่านกรุงอ่านก็ถูกหรอกถ้าอ่านกรุงอ่านฮนบีของอัลลอฮ์ทำมาหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับซ้ำเสื้อเกาะมาทําอะไรตาฟีตะฟีกุมบาสะกุม เพื่อป้องกันสูรเจ้าจากการรบพุ่งใช่ไหมตอนทำศัทธามสงครามกันนะ่อใช่ไหม อ, ลอัลลอฮ์ว่ากันว่านัการทําสงครามเป็นาศาสนาใช่ไหมเป็นาศาสนาเพื่อปกป้องอัอิสลามนั้นไม่ต้องัวสงครามสงครามทีน่ะตายทีนั้น <c oughs> คนที่ทำงานศาสนาอัลอลอฮ์ตาย شهيد ทำอยู่เลยไ ด, ได้ได้สองอย่างถ้าไม่ตาย ก็ได้ทรัพย์สินถ้าตายก็ได้สวรรค์ห้ามอยู่เลยล่ลละเห็นนั้นมุสลิมไม่ไม่กลัวไม่กลัวสงครามสงครามสงครามเกิดตายตายมีปัญหาพอตายลูกเป็นกำพร้าเมียเป็นไม้เดี๋ยวอลัลลอฮ์ส่งใครมาดูแลแทนอีกโอไม่ได้ลูกฉันนัน ไ, ไม่ของอลัลลอฮ์ตายทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมอย่างนี้อิสลิมต้นมาวานนี้ผมไปอบรมเด็กกำพร้าเนี่ ย, กกรรยที่วามี ทำดูแลไปนั่งไปนั่งเราก็ได้อะไรเยอะไปยืนพูดไปสอนไปมันจะร้องเห็นเด็กกับพวงกาแฟเราอากบาร์เราทำดูแลทั้งหมดเป็นเป็นข้อดีทั้งหมดนะถ้าเรานําเอามาเป็นข้อเตือนใจเรานะอะต่อมาครับกะดาลิกายุติมุเนะมะตาหูอัลัยกุมอ่าตรงนี้อธิบายชัดเลย พระองค์ทรงทําให้อะไรนะครบบริบูรณ์อัลลอฮ์เล่าครบแล้วก็ให้ครบอะไรครับเนี่ยมาตาหูความโปรดปานของพระองค์นี่อัลลอฮ์ให้หมดเลยเราไม่ได้สร้างสักนิดหนึ่งอัลลอฮ์ให้ครบทุกอย่างให้บ้านให้แกะให้ขนสักให้ปุ๋ยให้ขนให้ผม ให้ที่พักที่ภูเขาอัลลออักบัดให้เสื้อมาทั้งเสือ้อเกราะแล้วก็เสื้อใส่ปกป้องความร้อนและปกป้องตอนที่ไย น, นะทำสงครามกันทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮว่าอยู่ติมมเนี่ยมาตาฮูอัลลอฮได้อธิบายได้เล่าได้ให้เนิ่ยมัดครบแก่ท่านทั้งหลายให้มาเพื่ออะไรละอัลละกุมตุสลิมู เพื่อสู่เจ้าจะได้นอบน้อมคาว่านอบน้อมเนี่ยด้วยอวัยวะด้วยร่างกายไม่ใช่ด้วยดจจิตใจนะด้วยร่างกายฉะนั้นต้องสุยูต่ออัลลอฮ์ด้วยร่างกายด้วยมือด้วยตาด้วยจมูกด้วยหูด้วยเท้าฉะนั้น สูย้ยูต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นภาพที่ดีที่สุดอวัยวะเอาหน้าภากเนี่ยมากราบไว้ที่พื้นเนี่ยเป็นการทำตัวต่ำที่สุดต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์สุพาณอวาตาลอาอัลลอฮ์ต้องการให้มนุษย์เนี่ยได้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์สุพาณอวาตาลามีเนื้มัดใช่ไหมมีบ้านมีรถอัลลอฮ์มีลูกมีภรรยา มีขนสัตว์มีขนแกะมีนู่นมีนี่อัลลอฮฺอัลวาให้เราได้นอบน้อมถ่อมตอนต่ออัลลอฮสุบฮานหูวะตาอามีฮะดีษอธิบายอย่างนี้เ <c> ข <oughs> <c oughs> าบอกว้อย่างนี้นะ <c oughs> การนอบน้อมเนี่ยหมายถึงให้ยอมรับนับถืออัลอลาฮไปเคารพสิ่งอื่นทำไมอัลลอฮให้บ้าน อัลลอฮ์ให้คาราฮัดคาราฮัดภาษาอุดูกป่ว่าการการไปว่าบ้านเพราะว่าคาริฮัดภาพนิสสาวว่าใหญ่อัลลอฮ์การไปว่าบ้านภาษาอุดูการเข้บ้านธรรมดานี่แหละกระทั่งใครที่มีบ้านเนี่ยจะต้องน้อมรับอัลกุรอามเอาศาสน า, าของอัลลอฮ์มาดูแลตัวเองเพราะอิสลามเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นเอง ที่แยกแยะระหว่างหัวใจกับร่างกายร่างกายควรทำยังไงหัวใจควรทำยังไงกับอัลลอฮ์สุบฮานาหุตาดมีอาบมีหะดีสบทหนึ่งอธิบายอย่างนี้มีอาั บ, บ้านนอกอารอบีหมายถึงอาั บ, บ้านนอกทำไมว่าบ้านนอกเพราะว่าไม่ได้ฟังศาสนาเยอะพออยู่กับแพ้อยู่กับอูใช่ไหมอยู่กับวัวก็ควาย กับผู้เรานะอยู่ชนบท น, นนะมันก็ฟังศาสนาเท่าไหร่เราดูแต่ละครละครพอจนนอนก็นตอนดึกก็เปิดละครดูกลางวันก็อยู่กับแพะแกอ ว, กวัวควายแต่ไม่ใช่ทุกคนนะนะคนอาหรับบ้านนอกมาหาท่านนาบีฟาซาอาดหูมาก็มาถามนาบีว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์นมีอะไรบ้างนาบีก็อ่านอ้ายานี้แหละนี่อ้ายานี้อ้ายานี่อ้ยายันที่แปดสิบปสบเอ็เนี่ย อ่านหลาย อ, อายาณ์อ่านให้อารับบ้านนอกฟังแล้วก็นบีก็พูดบอกว่าวะลลอฮุจัอัลลอฮฺ ม, มินบุยุติกุมสักนะนบีถามว่านุ้มรู้ไหมอัลลอฮ์สร้างบ้านสร้างบ้านให้คุณอยู่เนะี่ยคุณเชื่อเปล่าอารับบ้านนอกว่าน้ามนาอัมฉันเชื่อฉันเห็นโอ้ในบ้านเนี่ยให้มาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ ยอมรับไหมยอมรับก่อนน บ, บีถามอีกว่าเจ้ลาละกุมมินยูลูดิลอาณามีบุยุตันแล้วก็ที่การกระโจมอ่ะคุณนอนตามกระโจมนะ่ะมาจากหนังหนังแกะหนังสัตว์หนังวัวหนังควายบ้างอะไรบ้างเนี่ยยอมรับไหมเป็นเนี้ยมดอ่ะยอมรับยอมรับยอมรับน บ, บีก็อ่านกูอ่านพออา่ออานจบแล้วเนี่ย อาดับคนนี้อยายาสุธาที่บอว่าไงนะละอัลละกุมตุสลิมูลหวังว่าสูเจ้าจะได้หันมารับนับถืออัลอลอฮ์หวังว่าคุณเมื่อฟังอายาคุรานแล้วว่าลลรอให้นู้นให้นี่ให้นี่ให้นั่นรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไหมยอมรับในอัลอลอฮ์ไม่ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไหมอาดับบนนอกคนนี้ยืนงงตาเหลือก ก็เดินหาหลังไปไม่รับไม่ยอมรับให้อัลลอฮฺเป็นพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่เพียงองค์เดียวไม่ยอมรับเดินหาหลังกลับบ้านเลยนี่ถ้าเป็นเราก็จัดการเลยนะเอาขยำเลยตีมันวะใช่ไหมอัลลอฮฺประทานอัลกรุรอานอาย่านี่ลงมาให้กับ น, นบีมุฮัมมัดนี่อาย่านี่ที่กำลังอ่านกัอยู่เนี่ย والله جعل لكم مما خلق ظلال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراب لتقكم ي ا ل ح ر ّ وسراب لتقكم ي بسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون เห็นไหมอัลลอฮฺไม่ทำลายใครแต่ เตือนให้นึกไอ้คนไอ้คนที่หันหลังให้เนี่ยมันอาจจะอีหมานต่ออัลลอฮ์ก็ได้หลังจากนี้อสักปีสองปีใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ทําลายเลยนะไม่เหมือนคนในสมัยก่อนคนสมัยก่อ น, น, อนถ้าเล่นอย่างนี้อัลลอฮ์เล่นงานไหมให้ฟาเลยผ่าตุ้มตายเลยใช่ไหมนึกว่าตายแล้วจบไหมไม่จบตายแล้วถูกเล่นงานแบบใครนะฟาโร ตัวนี้เห็นมัมมี่ที่อียิปใช่ไหมนึกว่า น, นอนสบายเลยนะอลล๋อถูกเล่นชาตเชา้าเย็นเรื่องงานเรื่องงา น, ล, น, งานลงโทษลงโทษลงโท ษ, โ ท, ษที่วิญญาณาน่านเราต้องเชื่อนะอาซาบูโบมีจริงไหมมีจริงครับต่อมาครับอายาที่แปดสิบสองฝ่าอินตะวันลาว ع َอَ ي ْ ك َ ا ل ْ ب َลก ا บُล ل อُุมِบ ن นแต่ถ้าพวกเขาหันกลับอย่างชายคนนี้ชายอารอบีเนี่ยใช่ไหมมาถามนาบีเรื่องนี้มาที่อัลลอ์ให้กับมนุษย์มีอะไรบ้างอธิบายละเอียดแล้วยังไม่ยอมรับฟ إ อินตَวَ ل เّล่าถ้าหาพวกเขาหันกลับคือคือไม่ศรัทธาในอัลลอ์ ไม่ยอมรับในนบีมุฮัมมัดไม่ยอมรับในซุนาท่านนบีฟาอินนามาแท้จริงดังนั้นหน้าที่ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลบลาสอนศาสนาตัมลีเอาไปสอนศาสนาแบบไหนครับมูบีนกระจ่างแจ้งเอาไปสอนแบบชัดๆัด อย่าไปคุมเครือสอนฉะนั้นนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ให้อิสลามผ่านนาบีมุฮัมมัดมาในเมื่อนบีเชิญชวนแล้วไม่เชื่อบางคนก็ฉันเลิกชันเลิกแล้วฉันไม่ทํางานดวาวาร์แล้วเลิกแล้วสอนคนนี้คนนี้ก็ไม่เอาสอนคนนี้คนนี้ก็ด่าชั้นสอนคนนี้คนนี้ก็เอาน้ําสาดชั้นปิดประตูบ้านแร ง, แรง อัลลอฮ์ถูกไหมถูกนบีถูกไหมถูกแล้วอัลลอฮ์สั่งมูฮัมหมัดเอยอย่าทอแทใจเลยให้ท้าหน้าที่ต่อไปเห็นยังเนี่ยอัลลอฮ์ปลอบใจใครปลอบใจนบีมูฮัมหมัดทั้นคนที่อ่านโบรานนะมาอ่านอายะนี้ต้องนึกตัวเองที่เราสอนลูกลูกว่าไม่เชื่อใจทอไหม เลิกไหมไม่เลิกฉันก็ต้องพูดต่ออีเมื่อวานเนี่ยมีมีโต้พาเด็กกำพร้ามาแม่พ่อตายแม่มีปัญหาเด็กกาพร้าว่าโตะตีหลานหลานเด็กกาพร้าบาปอ๋อหลานมันเก่งอ่ะเราโต้กับอกาจารย์ฉันตีหลานหลานว่าโต้ทําบาป ถ้าต้องมตีหลานได้ไหมเนะีกก่ยปกติได้อย่าตีแรงมไม่ใช่ไม้หน้าสามยก ส, งสูงๆแล้วก็ตีค่อยๆตีทําไมเพราะอนบีสั่งให้ตีตอนไหนอายุเจ็ดขวบต้องฝึกหลานให้นามาสิบขวบไม่นามาสให้ทําอะไรให้เขียนให้ตีแต่ตีเบาๆตีแรงๆอย่าตีแรงเนี่ยยก ส, งสูงๆลงค่อยๆเพื่ออะไรนะ เป็นการอบรมเตือนให้ลูกหลานอยากทิ้งนามาดท่นตาดตีลูกตีหลานไม่ผิดแต่ตีเพราะความโมโหผิดตีเพราะตัด บ, บียะไม่ผิดตัด บ, บียะหมายถึงอบร ม, มเด็กรุ่นใหม่ไม่เก่งอนะ่ะครับ ถูกต้องถูกต้องถูกไปคุยเรื่องอับลอร์นี่แหละลอร์มีอลอร์นุ่มลอร์นี่เวลาคุยแล้มเชื่อมันไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่ใช่เลิกแล้วก็ทํางานต่อไปทํางานต่อไม่เอาคนนี้กับคนนี้จากแต่คนนีอ้อลลอร์ถลอมว่าต้องอดทนนะต้องอดทนต้องสบายต้องอดทนเอาต่อมาอายัดที่ 83. ยารีฟูนะนิ่ยมาตลอดพวกเขานี่รู้จักหรือว่าตระหนักในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุมมายุงกีรูนะฮะแต่แล้วพวกเขาปฏิเสธปฏิเสธว่าไงนะเนี่ยมัดทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นมาเอง ใช่ไม่ใช่ต้นไม้เกิดขึ้นมาเองบ้านกูสร้างเองมือมึงกูเองอัลลอฮฺปัญญาทั้งหมดเนะี่ยมาจากใครอัลลอฮฺอัลลอฮฺทั้งหมดเนี่อัลลอฮฺให้ทั้งหมดเลยนะสร้างบ้านราคากี่ล้านก็าตามนะห้องนงห้องน้งําทั้งอย่างรออย่างดีนึกว่าตัวเองทําเลยออัลลอฮฺให้ปัญญามา ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยแทนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์กับปฏิเ Allah, สธอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه แะุ์ตาระวาอัคารูหูมุลกาฟิรูนส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธเนรคุณใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์อกประชากรโลกนี่เท่าไรเจ็ดพันล้านที่ยอมรับในอัลลอพันห้ารอยล้านมุสลิมวะเนี้ยแลวมุสลิมที่ไม่เข้าใจาศาสนาอีกเท่าไหร่ จะมีตัวตนนี่อัลลอฮ์สอนเนี่ยเราคิดหมดเลยแต่นั้นหน้าที่เราจะต้องนี่ละตับล็กดานเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์สุภาพ น, วนาวตดอัลเลาะห์อธิบายวันนี้มาที่อัลลอฮ์ให้มีอะไรบ้างคำวันนี้ยมาตอนลอเนี่ยอัลลอฮ์ท่านรู้แล้วนี่เป็นเนี่ยหมายของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างหนึ่งให้นมมานมนมน ม, น ม, น ม, นมออกมาจากอะไรน้ํานมเนี่ยออกมาจาก ปุจระปั ส, สวะเลือดต้องการจะอธิบายว่าโลกดุนยาใบนี้นี่นะมีทั้งคนชั่วคนเลวแล้วก็คนดีก็หมายถึงน้ำนมที่ออกมาจากคนดีคนชั่วนี่แหละออกมาเป็นน้ำนมอัลลอฮฺชาริบัลลิชาดีวินกินแล้วมันคล่องคอกินแล้วมันดีมากเหมือนกันคนดีคนชั่วอยู่ปนกันใช่หรือม่ใช่ใชตอนเนี้ย บ้านหลังเดียวกันอีกคนนึงดีอีกคนไม่ดีโรงเรียนเดียวกันอีกคนเรียงเลวอีกคนนึงดีแต่ว่าคนดีเนี่ยออกมาเหมือนนำนมเดยเป็นข้อคิดมากต่อมาครับอัลลอฮ์ให้ต้นอ่างงนมีอะไรนะมีองุงงมีอินทผารามมีน้าผึ้งอัลลอฮ์อักบัดเนืบเมตตาของอัลลอฮ์ต่อมาอัลลอฮ์ให้หูให้ตาอัลลอฮ์อักบัดต่อมาครับอัลลอฮ์ให้นกบินอยู่บนท้องฟ้า ต่อมาอัลลอฮ์ให้บ้านต่อมาอัลลอฮ์ให้เสื้อเป็นเกราะป้องกันความร้อนและความหนาวด้วยแล้วก็ให้เสื้อเกราะออกมาเพื่อปกป้องตอนสงครามด้วยแล้วก็ทรงแต่งตั้งบรรดานาัลลด้วยอัลลอฮ์บัดให้เป็นผู้นําสอนศาสนาแล้วก็ส่งน้ําลงมาจากฟากฟ้าเดี๋ยวนี้น้ําก็มาจากฟ้ากินไม่ได้แล้วพอมีเอ็ซิสเรนใช่ไหม เรนฝนน้ํากรดใช่ไหมแต่น้ําสะอาดไม่สะอาดแล้วก็มีส่งเรือในมหาสมุทรในในทะเลเนี่ยทั้งหมดเหล่านั้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยครับอายะสุดท้ายแปสบสี่ยาวมาวยาวมาหน้าเบ้าูมิงคุลลิอุมติงชาฮิดาและจงราลึกถึงว่าว่าเนี่ยแปลว่ า, วาจงรําลึกถึงให้นึกนึก นึกถึงเนี้อมาต่างๆเี่ยเาล้อให้เนี่ยยาวมาเป็นวันซึ่งเราได้นับอบาสุวันซึ่งเราจะตั้งพยานชาฮีนั้นแปลว่าพยานพยานที่ี่หมายถึงนบีมิงกุลิอุมมะจากทุกๆประชาชาติเนี่ยในวันประโลกในวันประโลกอลัลลอฮ์จะให้มนุษย์ในฟื้นขึ้นมา กลุ่มใครกุลมันจะมีนบีมาประจำกลุ่มจะมีนบีมาประจำกลุ่มกลุ่มใครกุลมันอย่างกลุ่มเรามีนบีชื่อมุฮัมมัดกลุ่มฟาโรมีนบีมูซากลุ่มบันิอิสราเอลนบีอิสาทุกนบีนบีมาเป็นพยานในความเท็จของพวกเขาที่พวกเขาไม่ยอมรับอัลลอฮฺสุบฮานาววาตาละนบี อัลลอฮ์ให้ไถ่หนาบีขึ้นมาแต่ละแต่ละกลุ่มมีนาบีนำหน้าอยู่ไอ้คนที่เดินตามนาบีทั้งหมดเหล่านี้ไม่เอานาบีทั้งหมดละไอ้คนเอานาบีมีเท่าไหรอ่อา้าวอย่างนาบีนวลหนาบีเอานาบีกี่คนแปดสิบคนประชากรเท่าไหร่เยอะส่วนใหญ่นั่นแอนตี้แอนตี้แอนตี้แอนตี้แอนตี้แล้วเป็นไงผลสุดท้ายคนเหล่านี้ลงนรกหมดเลย สุ ม, มาลายุดานุลินลลีนากาฟรูแล้วพวกปฏิเสธจะไม่ถูกอนุญาตให้แก้ตัวเห็นไหมไม่ถูกอนุญาตให้แก้ตัวพี่น้องอัลลอลกุอ์อักบแก้ตัวได้ไหมแก้ตัวไม่ได้ไม่ถูกอนุญาตให้แก้ตัว ซุ่มมาลายุรันุลลอฮีนะกะฟารูวะลุยุสตบูและพวกเขาจะไม่ถูกอนุญาตให้ทำสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์พอใจตัอการจะอธิบายอย่างนี้โลกอาคือเราเป็นโลกแห่งการตอบแทนไม่ใช่โลกแห่งการทำงาน วันนั้นนะ่ะจะขอร้องอัลลอฮฺอยากจะนำมาทศสองเราก็อัดอลัลลอฮฺว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมดเสร็สุญูดแล้วถ้าจะสุญูดวันนี้ทำไมไม่สุญูดล่ะถ้า น, นอนทำไมอยู่หนึ่สุบโวยังไางเบื่อเนี่ยทำไมทำไมจะจะไปสุญูดในวันน ون, ู้นอัลลอฮฺว่าหมดเสร็หมดเสรหมดเสรอยู่บนดุนยานี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกจบตาบ้าตัวอลัลลอฮฺไม่รับแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะ ก่นวันเกียรมาถวันเสิโลกอนี่อลัลลอฮ์เล่าไงยามไปยามมาว่าวันอัลกียร์มาไม่มีสิทธิ์ทําความดีทําแล้วอลัลลอฮ์พึงพอใจเองหมดสิทธิวันนี้จะมาขอแก้ตัวฉันอย่างงั้นฉันอย่างงี้หมดสิทธิเนี่ย เ, เล่าถึงภาพในวันเกียร์มาให้เราฟังอลัลลอฮ์อักบะรน่ากลัวมากครับน่ากลัวเอาต่อมาอย่าสุดท้ายใช่ไหม وإذا َ رأى َ الذين ََِّ ظلموا ََ العذاب ََ ال ال <اب> นี่หมดแล้วใช่าเนี่ยและเมื่อบรรดาผู้อาธรรมเห็นคือผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮฺปฏิเสธนบี m u h a m มัดนั่นเห็นอะไรนะเห็นการลงโทษหขดิษณ์นบีอดิบายอย่างนี้นรกถูกเลื่อนมาอยู่ข้างหน้า นรกอยู่ที่ดาวดวงไหนไม่ร on right. ู้ you know like right. แต่วันนั้นนรกถูกเลื่อนมาอยู่ข้างหน้าเห็นหมดเลยโอ้ยแล้วเป็นไงครับฟาลาอยูคอฟฟูอัน <siento> ฮุมพวกเขาจะไม่ถูกลดหย่อนคอฟฟ่แปลว่าเบาลดหย่อนโทษวาลาฮุมยุงซาลูและพวกเขาจะไม่ถูกผ่อนผัน ย่นเวลาหน่อยไม่เอาเลยได้เวลาเปะ๊เปะๆ อ, อย่างเนี้ยยังเห็นนรกมาเนี่ยอีกยี่สิบนาทีเข้านารกพอยี่สิบปั๊บเข้าเลยเรื่องผลอนผันไม่มีเจ้านั้นดุญยาบารีอัลลอผ่ผันให้ตลอดเท้านั่นใครจะผ่อนผันก็ผนผันบนโลกดุญยานี่แหละใครจะทำความดีก็ทำบนโลกดุ ญ, ญายานี้แหละอัลลอฮฺอย่าไปทำมโลกอาคริร้อยเลยหมดสิทธิ์เพราะว่า ดารุด u n y a ดารุละั a k i r a h ดารุจจะโลกแห่งการตอบแทนวันนี้โลกแห่งการทางานเหนื่อยเหนื่อยก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลล์คนที่ไม่เหนื่อยก็มีรางพันนโก่ะมีสองอย่างนะครับ سبحانك اللهم ัตดิสมียาวนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็พูดเรื่องฮัดิส